بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أوصلي و أ ص ل م على أشرف الأولين والآخرين ن بين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم م السلام ا عليكم ورحمة الله وبركاته. ภาย ل ا ن งที่หยุดไเดือนนะครับ رمضان ซึ่งในเดอรมะดอนไม่ถือว่าได้ห่างห่างไกลไปจากอัลกุรอานเดอรมะดอนพวกเราทุกคนต้องใกล้ชิดกับอัลกุรอานมากกว่าที่เราได้เรียนรู้ ت ف س ซีข้อหอัลกุรอานในวันังคานและสภาพของผู้ศทธาในเดอรมะดอนก็คงหรือสมควรที่จะเป็น สภาพปกติภาคปกติของผู้ศรัทธาทุกวันและนี่คือโจทย์โจทย์ใหญ่ในยุคนี้ที่เราสามารถแข่งขันกับสหบด้โจทย์ใหญ่เลยทีเดียวสิ่งที่ทำให้สหบดได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาเนี่ยคือคุรอาั สิ่งที่ทําให้ซาฮาบได้มีความรู้มากกว่าคนอื่นก็คือความรู้ที่ซาฮับมีเกี่ยวกับกุรอานและสิ่งที่ทําให้คนรุ่นหลังนี่ห่างไกลจากศาสนาก็คือความห่างไกลจากกุรอานฉะนั้นจุดใหญ่ในการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตในการที่จะแก้ไขปัญหาชีวิตต่างๆการที่เราอยู่ใกล้ชิดกับอัลกุรอานมากที่สุ การอยูのの่กัเชี่ยลคุรานี่ไม่ได้หมายรวมว่าเอาคุรานมาอยู่หัวเตียงนะดันั้นใครใครทำก็ได้ออบามาเขาบอกเขาามีมีไบเบิลมีคุรานอยู่อยู่หัวเตียงแลวมีปราหดที่ไม่ใช่มุสลิมมานะ เขาบอกอ่านกุตอ่านทุกวันพอเขาเห็นว่ากุตอ่านนี่มีมีความรู้ที่มีคุณค่าแต่คนนี้มองกุนอ่านว่ามีคุณค่าแบบนี้ยก็ไม่ต่างอะไรกับลุลวัยดีบินมุกีหรออบูเจฮลอิชามอับดุลฮะกมซึ่งเป็นผู้เลักผู้ใหญ่ชามอูรชที่เขาปฏิเสธนบีต่อต้านท่านนบี แต่ถ้าถูกถามเกี่ยวกับกุร آن, อานกุรอานนี่ดีมากชอบฟังกุรอานและคําพูดของมุสลิมบางคนในยุค ป, ปัจจุบันที่ที่ปลอบใจตัวเองว่าฉันชอบฟังกุรอานชอบฟังกุรอานแต่ตัวพิสูจน์ซึ่งเป็นโจทย์เหมือนกันนะตัวบิสูจน์เนี่ยชอบฟังกุรอานแต่ชอบทําตามกุรอานไหมนั่นนะคือตัวพิสูจน์ ชอบฟังกุตลา น, นี่อ๋อยิ่งถ้ามีละกูมีกอรีอ่านเสียงแพราะหน่อยนี่ก็ใครๆก็ชอบฟังถ้าจะพิสูจน์ตัวเราเองว่าเราชอบฟังกุตลานหรือไม่ให้พิสูจน์ตอนที่เราฟังกุตลานที่มาจากเสียงแพราะมีละกูมีทำนองที่เพราะ กับการที่เราได้ฟังกุรอ่านกับเสียงธรรมดาธรรมดาแต่เราใข้ควรนะทั้งสองกรณีถ้าเราได้ประโยชน์ทั้งสองกรณีแสดงว่าเราเนี่ยชอบเนี่ยชอบฟังกุรอ่านแต่อย่าหลอกตัวเองนะว่าชอบฟังกุรอ่านแต่มีวงเล็บแต่ น, นี้ไม่บอกใครวงเล็บว่าอยู่ในใจถ้าเป็นมือแรีแต่ถ้าไม่ใช่มชือแรีอย่าอย่าให้ฉันฟังเลย ก, ก, ก, ก, ก็พูดได้งว่าชอบฟังกุรอ่านแต่มีวงเล็บวงเล็บฟังกุรอ่านแบบนี้เนี่ยไม่ไม่ใช่อันนี้เนี่ยที่ที่มีความประเสริฐที่หมายรวมการชอบฟังกุรอ่านนี่ก็หมายถึงว่าผูกพันกับอัลกุรอานมีหลายเรื่องนะครับที่พวกเราต้องทบทวนในทุกครั้งที่เราได้มาเรียนรู้อัลกุรอานนี่แล้วก็เอามาเป็นเครื่องมือเป็นตัวชี้วัด ว่าความใกล้ชิดกับอัลกุรอานนั้นมันเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺ س, س ب า ا, ب ا, ا, س س ه ه ه ا ن ه และ تعالى ปราทานาจากพวกเราหรือเปล่าเช่นเราศึกษาเรียนรู้อัลกุรอานได้ข้อมูลมาว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ใช้อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ชอบให้เราทาเรื่องนี้ ถ้าเราเรียนรู้แล้วเรื่องนี้แม้ว่าจะเป็นคุตอานต่หตติสของท่านนาบีเพราะก็คือเนื้ อ, เ, อเดียวกันรู้แล้วว่าอราสั่งอัลลอฮ์ห้ามาที่เรสั่งก่อนรู้แล้วว่าอรอสั่งถ้ารู้ว่าเราสั่งความรู้เนี่ยถ้าเราดีอกดีใจกับความรู้กับคำสั่งนี้ แสดงว่าเราใกล้ชิดกับบทคุต well, ั้นแต่ถ้าคําสั่งในกุตัานเรารู้สึกติดขัดติดขัดเราสั่งให้ทำแบบนี้กูจะรอดไหมเนี่ยถ้าติดขัดนี่นั่นแสดงว่าเรายังยังห่างไกลจากคุตัานมันเป็นตัวชี้วัดง่ายนิดเดียวแล้วตอนที่เราอ่านกุตัานนี่ก็พิสูจตัวเองในเ่อนีข้อห้ามก็เหมือนกัน เรลลาหามอะไรมาถ้าเรารู้สึกว่าหา้ามดีใจดีอกดีใจแล้วก็มีกําลังใจที่จะเลิกสิ่งที่เอามาห้ามอาซาบะเล่ า, าเล่เาในสมยัสมยซาฮาบันเล่าอย่างกันน้ำอ่ะนะถ้าเทียบนะยิ่งกว่ากัญชาอีกดื่มเล่ากันธรรมดาเลยมันไม่เคยมันจินตนาการไม่ได้ว่ายุคของ อารับในสมัยญลที่เขาจะเลือกเล่าเลือกกันได้ไงมันต้องก็เลือกน้ำมเลือกกินน้่ะแต่พรุอานบอกว่าฟลอันุมมุตะฮนจะเลือกเรียงคาถามคืออันนี้ขั้นสุดท้ายของการห้ามกิเขั้นสุดท้ายน่ะจะเลือกเรี่ยงอินเตเฮนะอินเตเฮนเลือกแล้วครับเลกแล้วครับแต่ถ้ามันมีเสียงข้างไน ขอดูก่อนเดี๋ยวๆดีๆียวเดีย ว, ว, วแปบ๊บหนึ่งแป๊บบนึงเดี๋ย ว, วถ้ามีอะไรพวกนี้มาเนี่ยนแะสดงว่าเรายังห่างไกลจากกากขอ้ขอห้ามนี่มันจะเป็นตัวพิสูจน์ที่ที่เข้มข้นกว่าขอา้ขอใช้เพราะบางทีเนี่ยเราสามารถปฏิบัติตามข้อใช้ได้โดยเฉพาะในสิ่งที่มันไม่ไม่ขัดกับชีวิตต้องละหมาดลมาดมาดได้ อยากกินดอกเบี้ยโอ้ยถ้าชีวิตอยู่กับดอกเบี้ยนะท่านจะอยู่มีมีดอกเบี้ยได้ไงดอกเบี้ยสมัยท่านนาบีเนี่ยเลิกปีสุดท้ายเลยเล่าหนูก่อนก่อนเลิกดอกเบี้ยหลายปีนะแต่ดอกเบี้ยีนปีสุดท้ายปีที่ท่านนาบีไปทำฮัจญ์อัมลานะฮัจญ์ทุลวดะแสดงว่าเขาเรื่องดอกเบี้ยนี่เป็นเรื่องยากฝังรากมันลึกมาก แม้กระทั่งลุงขงท่านนบีเองเนี่ยลาบบ้าสิบนามตุนมุตเตลิยยยยกบก็ยังก็ยังใช้ดอกเบี้ยอยู่เนี่ยเป็นเจ้ามือดอกเบีย้ยเลยแต่พอน บ, บีห้ามแล้วเลิกแล้วนี่นะคนแรกที่ท่านนบีห้ามยกเลิกเนี่ยก็คือริบบลาบบะสิบนามดุนมตุตริบากุงลุงเองเนี่ยห่างปล่อยดอกเบี้ยของอัลอฮบาสิ่งข้อห้ามนี่เป็นตัวพิสูจน์สําคัญว่าเราเป็นมุสลิมที่รักอัลลอฮรัก คำพูดของ Allah คำสั่งของ Allah กุฎอ่านขอล a l l นี่เรารักมากน้อยแค่ไหนแต่ที่สําคัญมากกว่า น, นั้นนะครับกุฎอ่านนี่เราจะไม่รอที่จะได้รับรู้คําสั่งหรือข้อห้ามจะได้พิสูจน์ตัวเองถูกต้องไหมเพราะกุฎอ่านนี่ไม่ได้มีข้อห้ามหรือคําสั่งทุกอายะทุกอายะจะไ ม, ไม่ใช่ กุุราณไม่มีความหลากหลายที่สําคัญเนี่ยกุุดอานจะต้องเป็นมันเหมือนเป็นแอปตัวหนึ่งหรือเป็นโปรแกรมตัวหนึ่งที่มันรีเซตนะเวลาคอมเวลาโทรศัพท์นี้มันรวนนะ ม, น ม, นมันปันปวนใช่ปะ่ะเรากว่าล้างดีล้าง มันก็จะมีแอปที่มันจะล้างแล้วก็จะจัดสรรไฟให้มันให้มันลงตัวแล้วก็เครื่องเราจะได้สะอาดแล้วก็กุรอ่านควรที่จะเป็นแบบนั้นอ่านทุกเมื่อศึกษาเรียนรู้กุศอ่านฟังกุศลอ่านทุกครั้งเนี่ยกุศอ่านสามารถเข้าไปแล้วก็รีเซ็ตไม่จาเป็นต้องรีเซ็ตชีวิตทั้งชีวิตนะแต่จริงเนี่ย สมัยสหาบ้านยุคของสหาบ้านเนี่ยคุรานในระยะเวลาเพียง23ปีเนี่ยรีเซ็ตทั้งสังคมเลยรีเซ็ตแปลว่าอะไรภาษาไทยฮะหลังคาตั้งค่าใหม่ไม่ใช่รีเซ็ตน่ะนะเซตมันมันปรับด้วยมันไม่ใช่ตั้งค่าอย่างเดียวใช่วหเออมันบางทีเนี่ย วางสิสเท็มใหม่ไปกันใหญ่คือระบบเนี่ยระบบเราเคยเข้าใจอะไรแบบเนี้ยพอฟังกุศอมันไม่ใช่ยงมันไม่ใช่แบบนั้นเนี่ยอิทธิพลของกุา่านที่เปลี่ยนความคิดของเราเนี่ยีเซ็ทุกครั้งนะที่ฟังกุานต้องเกิดประโยชน์ต้องเกิดอ่ต้องเกิดวิชาปัญญา ฟังกูอ่านแล้วแล้วก็มันก็เหมือนเดิมแสดงแสดงว่ามันไม่ต่างอะไรกรับกูอ่านแล้วก็ฟังบทสวดหรือฟังนาชีพหรือฟังเพลงถ้าในเมื่อมันฟังแล้วแล้วมันไม่ได้รีเซตไงคำพูดกับมนุษย์กับพระเจ้าถ้าฟังแล้วแล้วก็แล้วแล้วเกิดค่าเท่ากันนะนะก็แสดงว่าสําหรับเราอ่ะสําหรับเราเรารับไม่ไม่เหมือนกัน มันก็ตัวตัวสูจ ท, ที่เราเรียนตัดซีนกันทุกครั้งเนี่ยเราอยากจะไม่ได้ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงชีวิตนะไม่ใช่ไม่ใช่เปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนอะไรที่เราทําผิดแล้วก็เลิกทําแล้วก็ให้ทําความดีอย่างเดียวไม่ใช่ไซต์โคตุบหนี่บอกว่ากุรอ่รานนี่ไม่ได้เปลี่ยนสังคม สังคมอาหรับเนีให้เลิกความชั่วและทำความดีอย่างเดียวแต่เปลี่ยนความคิดของเขาด้วยความคิดเปลี่ยนอุดมการณ์เป้าหมายชีวิตเปลี่ยนรีเซ็ตสมองด้วยสุรอตอานอตโตบาที่เราได้ปธิบายกันมาหลายเดือนแล้วได้ถึงอายะที่หนึ่งร้อยวันนี้จะเข้าอายะที่หนึ่งร้อยหนึ่ง เนื้อหาหลักของสุรตะวานีจะพูดถึงเรื่องปัญหาสังคมเพราะสุรตะวาต้องการต้องการวางระบบใหม่ของพลเมืองในรัฐอิสลามใหม่เป็นสุราที่ถูกประทาน ล, ลงมาช่วง ท, ท้ายๆก่อนที่นาบีจะเสียชีวิตแล้วจะพูดถึงเก็บตกละ ทุกปัญหาที่มีอยู่ในสังคมโดยเฉพาะปัญหาใหญ่ๆที่ยังตกค้างอยู่แล้วก็ยังแก้ไขไม่ได้เนี่ยเอามาพูดในสุรตดวะซึ่งปัญหาใหญ่มากที่นบีได้เลื่อนเวลาในการแก้ไขไว้เนี่ยก็คือปัญหาปัญหาคนที่ไม่เลื่อมใสต่ออิสลามคนที่ไม่ตรงไปตรงมา กับหลักการศาสนาเคยเทียบแล้วบอกว่าถ้าเทียบกับปัจจุบันนี่ก็คือคนที่คนที่คนที่ทุจริตไม่เลื่อมใสต่ อ, อ ก, กฎหมายคนที่ไม่เอาไหนกับกฎหมายหาช่องช่องว่างในกฎหมายเนี่ยจะได้บิดพิ้วคนที่ไม่ไม่ซื่อสัตย์กับสังคมมุนาฟิกนี่ก็เป็นแบบนี้แหละไม่ซื่อสัตย์ กับอิสลามไม่ซื่อสัตย์กับคําสั่งสอนไม่ซื่อสัตย์กับหลักการศาสนาไม่มีความเลื่อมใสต่อสังคมมุสลิมจึงสามารถบิดพิ้วตัวเองให้เป็นขี้ข้าของศัตรูอิสลามก็ได้หรือมีพฤติกรรมที่เข้าข้างศัตรูอิสลามก็ได้นี่คือปัญหาใหญ่ใหญ่มาก และเป็นปัญหาใหญ่ของทุกสังคมโดยเฉพาะในภาวะสงครามเพราะสซลต์ว่าถูกประทานลงมาในช่วงสงครามตะบุกถ้าในภาษาทั่วไปภาษาบรรจุว่าก็พวกใส์ศึกเนะี่ยคนที่รับใช้ศัตรูไม่ไดีหมายรวมว่ารับใช้หมายที่หงว่าเขาไปพบศัตรูแล้วแล้วก็กลับมือกันไม่จำเป็นต้องขนาดนั้น แต่คำพูดของเขาความรู้สึกของเขาความเลื่อมใสของเขามันเข้าขั้นสัตรุ่งแบบนั้นนี่เรียวกว่ามุนาฟิกในสงครามตะบุกเป็นบททดสอบที่ทำให้ทุกคนจะต้องวิสุจน์ตัวเองละว่าเป็นผู้ศรัทธาจริงหรือเปล่าเลื่อมใสกับท่านนบีหรือเปล่าเพราะสงครามนี้ท่านนบีต้องเกณฑ์ทหารสี่หมืนกว่าคน มดีนาในเมืองมดีนาอย่างเดียวนี่ก็ไม่มีหรอกจานวนนี้สี่หมื่นเนี่ยไม่มีอังสะฮะบ้าไม่ถึงสะฮาบ้าของท่านนบีเนี่ยที่อุลามาเขาบอกว่าอิบนาบดุลบร์ในหนังสืออิสติยาบดีที่ได้รวบรวมรายชื่อของสะฮะบ้าเขาบอกว่าสะฮะบ้าที่เห็นท่านนบีเนี่ยเห็นท่านนบีเขาเอาตัวบทฮะดิษ ของสัฮาบะที่ได้รายงานว่าฮัจย์อัมลาที่ท่านนบีทำฮัจญ์นี้นะเขาสะนิฐานว่าคนที่มาทำฮัจญ์นี่น่าจะแสนกว่าคนและแน่นอนต่อนที่ทำฮัจญ์เนี่ยคือท่านนบีบอกกับทุกคนที่มาเนี่ยโคดูอัน น, ม น, น, นีมานาสีก็คงจงเอ า, าศาสนกิจการทำฮัจญ์นี่เอาจากฉันแสดงว่าทุกคนที่มาหัจญ์เนี่ยจ้อง ดูท่านนาบีจะได้ทำฮัหเหมือนท่านนาบีะสะแสดงว่าทุกคนที่มาเนี่ยต้องเห็นท น, นาบีแน่นอนอุลมะก็เลยบอกว่านี่สแสดงว่าหนึ่งแสนคนที่มาเนี่ทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าเป็นสอบะแต่ไม่ใช่สอบะที่แบบว่าทุกคนแสนคนเนี่ยสนิทสนมกับนบีเรียนรู้กันนบนบีไม่ใช่และแสนคนนี่ไม่ไดเนน้เป็นชาวมาดีนะแสนคนนี่มาจากคาบสมุทรอาหรับทั้งหมดเลย ามาดีนาเหรอมาดีนาไม่กี่หมืน่นหมืน่นสองหมืน่นอา้าวแล้วก็กองทัพตะบุกที่ไปทําสงคารามตะบุกนี่สี่หมืนมาจากไหนอ่ะมาจากที่อื่นด้วยมาจากเผ่าอื่นด้วยซึ่งบททดสอบนี้เ่เกิดขึ้นกับทุกเผ่าอารักด้วยในมาดีนาก็เกิด บ, บ, บททดสอบเอาไปทีฮัดกับท่านนาบี คนที่ไปกับท่านนบีก็คือคนที่เลื่อมใสในอิสลามคนที่ไม่ไปกับท่านนบีก็คือคนที่มีปัญหาเนี่ยปัญหาเลื่อมใสนี่แหละเรื่องเลื่อมใสผมเคยให้เหตุผลว่าทำไมทำไมจะใช้เรื่องก็เลื่อมใสเลื่อมใสกับอิสลามเนี่ยคาว่าเลื่อมใสเื่อเข้าใจเลื่อมใสนะไม่ใช่เหลี่ยมใสนะเลื่อมใสนะเลื่อมใส หมายถึงมันบริสุทธิ์นไงสุดจะดิจใจตรงไปตรงมาทําไมผมใช้เรื่องนี้เพราะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นภาษากฎหมายโดยเฉพาะบ้านเราพี่น้องรู้ไหมว่าคุณสมบัติของคนที่จะถูกเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการอิสลามมัสซิดคณะกรรมการอิสลามจังหวัดคณะกรรมการการอิสลามเนี่ยคุณสมบัติแรกเลยแรกเลยนะ ต้องเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขต้องเลื่อมใสผมเข้าใจว่าอย่างอิสลามอิหมานนี่เรื่องเลื่อมใสนี่นะอยู่ระหว่างบ่าวกรนหรอกแต่อย่างอนี้เนี่ยนะถ้าอิหมามจะขึ้นอิหมามนี่ยต้องเลืนะ่อมใสในระบอบประชาอันนี้เนะี่ยเครื่องมือพิสูจน์ยังไงมปทิ้งหมดถ้าสมมติว่าคณะกรรมการเลือกตัางบอกว่าไอ้นี่ไม่เลื่อมใสเอาเอาตัวอะไรมา มาชี script, ว่าดวลเลื่อมใสไม่เลื่อมใสเพราเลื่อมใสนี่มันไม่ได้หัวใจไงก็จะต้องเอาคําพูดเอาพฤติกรรมใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันเลยเขาไม่ไม่เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยพูดมีคําพูดหรือมีพฤติกรรมที่ไม่ไม่ไม่หวังดีกับประชาธิปไตยเนี่ยเอามาเอามาหักล้างความเลื่อมใสอันนี้ก็เหมือนกันคําพูดวาจาหรือการกระทําที่ บ่งบอกว่าไม่เลื่อมใสต่ออิสลามอันนี้ก็เป็นตัวพิสูจน์แต่ใครที่เป็นมุนาฟิกในใจแล้วก็ไม่มีอะไรพิสูจน์วาจาการกระทําไม่มีอะไรพิสูจน์ก็ไม่มีใครจะรู้ว่าเป็นมุนาฟิกซึ่งท่านนบีสุลต์ละอาลัยอุสแลมก็ไม่ได้ไม่ได้ตั้งสาลเตี้ยมามาตรวจสอบหัวใจของผู้คนมีคนหนึ่งชื่อฮอร์มัลละเคยเป็นหัวโจกพวกเนี่ยพวก มูนาฟิกเนี่ยแต่เขาเตาบัดตัวแล้วก็มาสารภาพกับท่านนาบีมันขอลูกโทษกับท่านนาบีขออภัยท่านนาบีก็เลยขอดูอาให้อลลอได้ล้างหัวใจของเขาได้เป็นคนที่มีความบริสุทธิ์ฮามาล้นี่ก็บอกกับท่านนาบีว่าท่านครับถ้าถ้าผมเคยเป็น เป็นหัวหน้าแก๊งอ่ะหัวหน้าแก๊งมุนาฟิกีนอ่ะแล้วผมนี่รู้รู้เนี่ยรายชื่อเนี่ยลิสต์ของมุนาฟิกีนเนี่ยรายงานท่านได้ไหมรายงานท่านได้ไหมว่าใครดีนั่งนินทานบีต่อว่ากุรานต่อว่ามุสลิมนี่นผมมารายงานท่านท่านอบดุบบอกว่าไม่ต้องและที่ผมเคยบอกกับพี่นงว่านโยบายของกุราน และพฤติกมของท่าัเลอลเวิสลอไม่ต้องการแฉรายบุคคลน่ะชื่อคนน่ะตัวตนของมุนาฟิกินแต่ต้องการแฉพฤติกรรมนะส่ว่านี่ว่ามนหมมนหมและในหมูพวกเขาจะมีคนที่ทาแบบนี้หมูพวกแบบนี้ทาแต่จะไม่พูดว่าเป็นใครนีส่วะมาทั้งหมดและมีส่วนอัมุนาฟิกูนส่วนนึง แล้วก็ม hey, ีหลายสุราที่เอ่ยพวกมุนาฟิกแต่ไม่มีสุราใดอะอะไรที่ระบุชื่อแม้แต่คนเดียวแม้แต่คนเดียวเอ่ยชื่อพฤติกรรมของเขาเอ่ยเหตุการณ์แต่ไม่เอ่ยฮะมนาฟบอกกับฮอร์มัละเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่เขาจะต้บัดตัวก็ได้ซึ่งนิฟากเนี่ยกับกอกนี่ความบิดเบี้วกับกับกอกนี่ความเป็นมุนาฟิกเนี่ยมันก็เป็นบาปเหมือนบาปทั่วไปนี่แหละ สามารถเติบ ต, ตัวได้แต่มันเป็นบาปค่อนข้างยากที่จะเตบัตัตวถ้าไม่ถ้าคนไม่เข้มแ ข, แข็งนะนะ ก, ก็อาจจะอยู่เป็นมุนาฟิกตลอดชีวิตก็ได้เพราะมุนาฟิกนี่เขาเขาหลอกตัวเองมุนาฟิกนี่คือคนที่เปิดเผยความดีแล้วก็ปกปิดความชั่วเขาหลอกลวงตัวเองเหมือนที่หลอกลวงคนอื่นว่าเขาเป็นคนดีเขาอาจจะหลอกลวงว่าเขาเป็นคนดีก็ได้ อายะห์นึ่งร้อยหนึ่งนี้ก็เลยมาเปิดเผยพฤติกรรมของมุนาฟิกที่มีอยู่ไม่ใช่เฉพาะที่เมืองมาดิน่าอย่างเดียวนะมันมีทุกที่เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยบอกว่าที่มาดิน่านี่ที่ท่านนาับีได้กร้องให้คนไปทําสงครามกับท่านนับีก็มีคนที่ไม่ทําเนี่ยกลุ่มเหล่านี้ที่ถูกที่ถูกหมายหัวว่าเป็นมุนาฟิกซึ่งต่อจากนู้นสหายบ้า ใครที่มีพฤติกรรมมนาวิกเนี่ยถูกหมหัวแล้วนี่นะบางกลุ่มเนี่ยก็ก็จะชี้เลยกล่าวหาเลยแต่บางกลุ่มนี่ก็ไม่ไม่ไม่ไมบางกลุ่มจากสหบ้านนี่ก็ไม่ไม่กล่าวหาแล้วก็ไม่ไม่พูดไม่พูดถึงเขาฉนบุ ท่านนบีก็เรียกร้องอาหรับชนบทเนี่ยนอกเมืองมาดีนะานบีก็เรียกร้องให้เขานี่มามาทสงครามมาสู้รบกับท่านนบีบางกลุ่มก็ไปบางกลุ่มก็ไม่ไปที่ไม่ไปเนี่ยก็เช่นเดียวกันถูกหมายหัววาเป็นพวกมุนาฟิกนฉะนั้นอายะหิ1นี่เนาอ بعد عزب الله من الشيطان الرجيموَمِنْ ح َ و ْ ل َ ك ُ م مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ و ่าจากอัลลอฮฺผู้ทรงเป็นผู้ทรงรู้ผู้ทรงเป็นผู้ทรงรู้ผู้ทรงเป็นผู้ทรงรู้ ع ู้ทรงเป็นผู้ทู้ผู้ทรงเปนผู้ทรงรู้ทรงเป็นผทรงเป็นผูทรงเป็นผู้รงรูนผ้ทนผ้เป็นผู้ทรงรูรเป็นผ้ก็นทนผ้ทรงงนน เออถงอารับชนวทนี่ก็คือนอกมาอารอบนี่ก็คือก็คือชนบทนอกมานอกมาดีนะไม่ใช่ชาวเมืองเป็นพวกกับกอบและในหมู่ชาวมาดินะในเมืองมาดินะเคยอธิบายว่าคำว่ามาดีนาแปลว่าะมาดีนาแปลว่าเมืองคือชื่อเต็มเนี่ยชื่อเต็มของมาดินานี่คือมาดีนาตุรสูนี่คือชื่อเต็มนะ ชื่อเต็มนี้ไม่ใช่มะ ด, ดีนะ่นะเพราะนี้เราไปไปมา ก, การไปมา ด, ดีนะาเข้าใจว่าก็มีแค่มะ ด, ดีนะาไม่ใช่คือชื่อเต็มเนี่ยของเหมือนกรุงเทพไงอ่นะกรุงเทพนี่ชื่อเต็มของกรุงเทพนี่ก็เนี่ยเอศี 4, อีกสองตันเลยใช่ไหมยาเวแต <laughs> ่ต ะ, ตะกอนนูนเ่ยมา ด, ดีนะตุรซูลนะครัจะไปเยสตะกอนนูนะชื่อยยสริปจะมาแล้วก็ยกเลิกไม่เรียกแล้ นบีเปลี่ยนชื่อเพราะอะไรที่ชื่อไม่สวยไม่สวยไม่งามนี่นบีจะเปลี่ยนเยสซีบนี่มาจากความหมายว่าตำหนิมาจากตตทรีบเตทรีบว่าตำหนิเมืองตำหนินบีเปลี่ยนชื่อเลยอืมแต่นบีไม่ได้ตั้งชื่อถูกตั้งชื่อโดยปริยายเพราะดั้นนบีอพยพมาอยู่เมืองอะไร มัดีนะมัดดีนัเมืองเมืองอั่นเมืองของนบีก็ใช่นี่สั ญ, ญลักษณ์สําคัญในเมืองนั่นอะไรอนนู้นวรีซมไม่มีสําคัญกว่านบีก้วมัดีนัตุลรอรซูนี่คือชืิดเต็มขนาดสองคำนะก็อย่างย่งย่อนะมัดีนัตุลรอซูนี่พอ่อตาเขาใช้มัมดีนัตุลรอซูมันยาวหน่อยก็มัดีนะไปเลยมันก็คล้าย กรงเทพมหานครนี่นะอถ้าคนใต้เนี่ยก็เทพเทพใช่ไหมเหรียญนิดเดียวก็เลยถูกเข้าใจว่าอัลมาดีนันนี้มาดิมาดินะตุลสูลเมืองของนบีก็คือเมืองมาดีน่านั่นเองแต่เมืองในภาษามาดีน่านี่ภาษาเราไเมืองเมืองเมืองอะไรอ่ะเป็นที่รู้เลยเนี่ยในโลกนี้เนี่ยไม่มีคำเนี่ยอัลมาดีน่าเนี่ยเป็นชื่อเมืองนอกจากเมืองเมืองมาดิน่านี่แหละ แต่ถ้าเมืองอื่นนะ่ะยังยึดได้เนี้ยเขาก็เรียกมั ด, ดีนาจิดอะเมืองจุดอะมัดีนาจิดอะแต่ใครจะไปได้กินได้ว่ามั ด, ดีนาเนี่ยไม่ได้เมืองนี่เป็นลักษณะฉายาจะเอามาตั้งเป็นชื่อไม่ได้แต่ที่มาตั้งกลายกลายเป็นชื่อของเมืองเลยเนี่ยก็คือเนี่ยเมืองมั ด, ดีนาเพราะฉะนั้นถ้าคุณอ่านนี่บอกว่าและในมูชาวมั ด, ดีนะา ว่ามิ่งอัลฮ์ลิลมาดินอัลมาดินอัลมาดินเนียาวมาดนเเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันในมายดิงว่ามีมูนาฟิกมีผู้กลับกลอกพวกเขาเหล่านั้นดื้อรั้นในการกลับกลอกมรดุอาลนิฟามรดุ์มรดว่าดดื้อดึงชัยตอนตัวร้ายชัยตอนตัวร้าย ตัวใหญ่ที่อิบลิสจะไว้ใจในการรับชใช้แนอบายของอิบลิสเนี่ยเขาจะเรียกกันมาริดที่คุณอ่านระบุนะมีมาริดและก็มีไอฟริตที่พว ก, พวกตัวโตเนี่ยพวกบิก๊กบที่ท่านอบีสุลลมานบังคับใช้เป็นเชตตอนเป็นพวกยินก่อสร้างก็จะมียินที่มีความสามารถพิเศษ ก็คือพวกยินโตโตนี่ที่สร้างวังกระหาดสร้างอาคารใหญ่โตสร้างวังของท่านอบีสุเลมานจากแก้วจากกระจกและพอบิลกิสกษัตริย์ของราชินีของเยเมนเนี่ยไปไ ป, ไปเยียนวังของท่านนาบดสุเลมานก็เดินบนพื้นเป็นกระจก ซึ่งพื้นมันบนน้ําทะเลก็นึกว่านึกว่าพื้นนี่มันคือน้ํำไงแต่มันเป็นกระจกไงก็เลยถลกถลกกระโปรงตัวเองว่าจะจะโดนน้าหรือเปล่าท่านอะบิสุเลมานก็เลยว่าอินนหุซอรุนมันคืออาคารมุมารัดุนมินกวาริรมุมารัดนี่มีพวกมาริดเนี่ยพวกมาริดนี่มาก่อสร้างจากกาวารีรกวาริรแปลว่าแก้วกระจกมุมรรัดเนี่ย ยินกินก่อสร้างตัวโตตั ว, ตวรากศัพท์ของของแมริ่นี่คือมรดูมารดามารดาไปว่าไปว่าดื้อรั้นเพราะไอต้ตัวโตนี่จะแข็งแกร่งอดือ้อก็เลยเป็นฉายาสำหรับพวกมุนาฟิกที่ดือ้อดึงกับหลักการมารดูมารดาดว่าลึกฝังลึกในเรื่องนิฟะเรื่องความเป็นมุนาฟิกนี่ฝังลึกมารดูอะไลนิฟ ทำไมอ่ะอันนี้ในด้านสังคมศาสตร์นี่เขาจะเขาจะพูดเรื่องนี้เหมือนกันเขาบอกว่าชาวเมืองเนี่ยหัวแพทย์เยอะอืมหัวแพทย์เยอะเยอะกว่าชาวชนบทชาวชนบทนี่ดื้อก็มีนะแต่ดือบบอด้อแบบซื่อๆดื้อแบบแบบดื้อแบบไม่รู้อ่ะแต่แต่เป็นคนในเมืองนี่อืมที่ลึกอ่า เขามีความรู้เขามีประสบการณ์เพราะฉะนั้นหัวโจของพวกมุนาวิกใอยู่ไหนยะอยู่ในมาดินะอัลลอกระลีบอกว่ามินอร์ถ้าชนบทนี้ยเราไม่ได้บอกพวกชนบทนี่มีพวกดื้อดื้อดึงกับมุนาฝังลึกกับนิฟากนิใหม่บอกว่ามีในพวกชนบทนี่มีมุนาวิกนี่มีแต่ถ้าชาวมาดินะนี่มรดูน มีคนที่ฝังลึกกับเรื่องความเป็นมุนั่นมัพวกโวโจกนี่อยู่ก็จริงหัวโจกที่อยู่ที่เมืองที่เมืองมาดินาทั้งนั้นนะรักสุลมุนาฟิกินโวโจกของมุนก็อยู่ที่มาดีนาทั้งนั้น Allah บอกว่าล่าจอัลลอฮ์มุฮัมมเจ้าอูมหัมมัดไม่รู้จักท่แท้ของพวกเขาหรอกไม่รู้จักเขาหรอกมีในมาดีนาเนี่มี อุลามาได้แบ่งประเภทมุนาฟิกที่มัดีีนานี่สองสามกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่อัลลอ์บอกท่านนาบีตัวตนตัวตนขงเขาเนี่ยเป็นใครชื่อไรชื่อและมีรายงานในมุสฮะมาว่าท่านนาบีสลลัลังลมแจ้งรายชื่อนี้กับกับท่านฮุซัยฟาอิบดิลียมานเลขาส่วนตัว อุซัยฟะอับดุลเลมานี่มีชายาว่าอามีนุสิริรซูลิลลาเลขาส่วนตัวเรื่องความลับที่ท่านนบีไม่บอกใครแม้กระทั่งขลิฟะทั้งสีเนี่ยเอาว่าโกรุมัดอุสมานนบียังไม่บอกเลยรายชื่อพวกมุนาฟิบบอกฝากไว้กับอุซัยฟะอับดุลเมานะฮูซัยฟะอิบนุลเลมานี่ก็จะไม่ยอมเพราะท่านนบีบอกว่าห้ามห้ามบอกใครเลย นี่เพราะอายะในสุรเดอบาที่อัลลอฮ์ห้ามไม่ให้ละหมาดยันาซ่าให้มุนาฟิกเลยเนี่ยห้ามไม่ละหมาดยันาซ่ากับมุนาสาหรับคนที่เรารู้ว่าเขาเป็นมุนาฟิกแต่นี้สังคมทั้งหมดนี้ไม่มีใครรู้คนที่รู้นี่คือใครคือท่านนบีและใครอะอุซัยฟะคนนี้กลัวมากที่สุดนี่คือคนที่มีตะกลัวมากที่สุดอย่างอามอรมินเขตอบกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นมุนาฟิก เฮ้ยต้องเขียว์เร่งนี้ก่อนก็เลยถามโฮเซฟว่าชื่อผมอยู่ไหมอยู่ในลิสต์ไหมถามอยู่นั่นนะ่ะตอนนบมีมีชีวิตอยู่นบีเสียชีวิตก็ถามโฮเซฟว่าอยู่นั่นนะจนท่านโฮเซฟว่านิยอมบอกไม่อยู่และจะไม่บอกใครอีกละบอกท่านคนเดียวก็ไม่มีใครมาขยันใคยอมมาถามโฮเซฟว่าเท่ากับท่านมนบุคคล แต่เป้าหมายของมัลลอฮไม่ใช่แค่นี้เพราะอันนี้เขาเคลียร์ตัวเองแล้วเอาไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ในลิสต์นี้นะนะก็ปลอดภัยระดับหนึ่งแล้วนะแต่ไอคนที่กำลังตายและกำลังมาจะนาซัยกันเนี่ยจะต้องมีสักคนหนึ่งอยู่ในชื่อเนี้อยู่ในลิสต์เนี่ยนี่ไม่อยากรบกวนฮุเซยฟะละเวลามีจนาซัยนี่อัลลอฮมิกระดมก็จะมองฮุเซยฟะแต่ฮุเซยฟะละมละมาดนะ เขาจะละห ม, มาดแสดงว่าไม่ใช่มุนาฟิกแต่เขาเสายว่าไม่ละห ม, มาดนี่แสดงว่าแสดงว่าเขาทําตามที่ที่กุฎอ่านสัง่งว่ละตุศลิอัลฮะฮัดมินย่าละ ม, มาดให้เขาไปแล้วนี่คือกลุ่มหนึ่งที่ระ บ, บุชื่อชัดเจนแล้วว่าส่วนมากในกลุ่มนี้นส่วนมากกลุ่มนี้ได้ต้าบักตัวก่อนที่น บ, บีเสียชีวิตเนี่ยได้ต้บักตัวและเหลืออีกบางคนที่ไม่ ไม่ไม่เลิกความเป็นมุนาฟิกแต่ไม่มีใครรู้นะนอกจากเขาเองไม่มีเลยมาตั้งนะหลังจากที่ น, นบีเซจิมิตและมีกลุ่มหนึง่งที่พฤติกรรมของเขาเนี่ค่อนข้างชัดว่าเขาทําสิ่งที่เป็นพฤติกรรมของมุนาฟิกินกลุ่มนี้ซึ่งกลุ่มนี้ทีูกวิากษ์วิจาณ์ในสังคมว่าใช่เป็นมุนาฟิกหรือไม่ใช่ บางทีเนี่ยนบีก็ยืนยันยืนยันนะว่าใช่นะเดี๋ยวจะมีบอกว่าเนี่ยอัลลอฮ์สั่งให้ท่านนบีแฉบางคนนี่แฉในวันศุกร์เลยตนที่นบีคุณว่าวันศุกร์เนี่ยวันนี้ลุกขึ้นคุณเน่เป็นมุราบิกออกไปทำกับคนแบบนี้สุดเน่ยนี่อะไมาให้ไดมีมีเนี่ย อันนี้ี่คือถูกวิพาุษ์วิจารณ์ใช่ไหมแล้วก็นบีตัดสินแล้ว่าในใช่ไ้ยบางคนเนี่ยถูกวิจารณ์เช่นฮาวตินบีเนบีเบลตาช่วงสงครามพิชิตมักกาเนี่ยแค่เขียนจดหมายส่งไปให้กุเรชเอ้ยเท่ากับใส่เสื้อปะเนี่ยนบีก็เลยเรียกสาบับางท่านมีนะฟันตรงแล้วโอ้มาดมเขาต้องบอกว่านบีขอเนี่ยให้ให้ผมตัดคอสั้นตัดหัวเลย ไอผมตัดหัวให้ถ้าอมรคืออมรบกตอบนี่ผมไม่เจรจาลตัดหัวเลยวนี้ดานีอดริบอุนุกตัดหัววเดี๋ยวแล้วก็เรีกฮาบที่นบีชลาลพอฮาดนไ่ด้ทสงครามบัรกับท่านนบีคนที่ไปทำสงครามบตรเนี่ยเป็นไม่ได้ที่จะเป็นอุนาวิกนบีก็เลยถามทำไมทาแบบนี้ว่านบีฉันไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้กัปกรไม่ได้บิดผิวไม่ได้ออกจากศาสนาแต่ฉันมีฉันเป็นคนอ่อนแอที่มักกะฉันไม่ได้เป็นคนที่มีตระกูลเหมือนสอ บ, บาลส่วนมากก็มีตระกูลทรัพย์สินของเขายากพี่น้องลูกหลานของเขาที่อยู่ที่มักกะเนี่ยถ้าเกิดท่านนาบีจะไปพิชิตเดี๋ยกอาจจะถูกจับเป็นเชลยเป็นอะไรเนี่ยแต่ผมเ ป, เป็นคนอ่อนแอไม่มีอำนาจไม่มีบารมีอะไรเลยก็เลยเขียนจดหมายเผื่อถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะได้ไม่ทำร้ายญาติพี่น้อง ท่านนาบีก็เลยเห็นใจแล้วก็ให้อภยัยอ่ะนี่แสดงว่าท่านนาบีตัดสินว่าอันนี้ไม่ใช่มุนาฟิกนี่กลุ่มนึงแบบเนี้กลุ่มหนึงก็เคยเกิดพฤติกรรมเหมือนเป็นมุนาฟิกเนี่ยแล้วสอบว่าเขาวิพากู์กุญการใช้ไม่ใช่นบีก็จะฟันตรงคนนี้ใช่คนนี้ไม่ใช่และมี ก, กลุ่มหนึ่งอ่ะไอ้ ก, กลุ่มนึงที่แ บ, บว่ามีพฤติกรรมที่มันไม่ได้ร้ายแรงมากแต่มันก็เป็นพฤติกรรมที่เป็น ทำเนียมมารู ام ام ้กันในหมู่ซาฮบานี่ว่าไอแบบนี้เนี่ยไว้ใจไม่ได้เช่นตัวอย่างอับดุลไลม์เนี่ยอกมารเอมเดลคาต้านี่เขาบอกว่าไอคนที่ไม่มาละหมาสุโบกับพวกเรานี่เราเริ่มสงสัยละมันเป็นพวกมุนาฟิกหรือเปล่านี่กลุมแบบนี้ใครที่ไม่มาละหมาุบีไม่มาละหมาดอิชอาบนนบีบอกว่าซาตานอัฟกลุลาตนอัลมุนาฟิกนอัุบ์ลอิชา การละหมาดที่มันหนักหน่วงที่มันสาหัสสําหรับมุนาฟิกนี่ก็คือสุบโบกับอิชาทำไมอ่ะสุโบต้องตื่นอิชานี่อยากนอนมันก็เลยไม่ไม่เข้ากับอ่าอย่างท่บอกาหรับบูมินเนอรีเซตไงชีวิตเนี่ยถ้าตื่นตื่นละหมาดสุโบนี่สำหรับคนทั่วไปนตื่นเองไม่ไหวอิชานี่อยากนอนแล้วเวลาที่จะมาแล้วลาทจะนอนแล้วแต่สําหรับมุมินเนยไม่ได้ แ ล, ละมาสบสด่นแล้กละหมาดอิชาเนี่ยมันจะทําะทำให้ทุกอย่างนี่มันจบ ด, ด้วยดีทั้งวันและกลางคืน น, นี่รีเซ็ตศาสนามันรีเซ็ตแต่บูนาฟิกเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ถูกรีเซ็ตมีคําสั่งสอนฟังกุศอ่นนานกับท่านนบีแต่ไม่ได้ถูกรีเซ็ตอัลลอฮ์บอกกับท่านนบีลายตาหลมยมุมเจ้าไม่รู้พวกเขาหรอกไม่รู้จักหรอกเราเนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยนับหนุนาหลายมุมเรารู้จักพวกเขา ดีรู้จักพวกเขาดีก็คือรายชื่อที่อัลลอ์บอกกับท่านนบีเป็นรายชื่อแล้วก็สั่งไว้กับท่านนบีว่าห้ามเปิดเผยด้วยยุกวินบางคนเท่านั้นที่อัลลอ์ได้บอกว่าส่นว่อาิบุฮุมมาระเจนีเราจะลงโทษพวกเขาสองครั้งทุมมายุรดดูนอิลาอาดับนอาดีม แล้วพวกเขาจะถูกนํากลับไปสู่การลงโทษอันยิ่งใหญ่ต่อไปแสดงว่าถูกลงโทษสองครั้งครั้งหนึ่งอิบนาบบาเซบอกว่าถูกลงโทษครั้งหนึ่งในโลกดุนยานี้และก็อีกครั้งหนึ่งยูรัดดูนะจะกลับไปสู่การลงโทษที่ยิ่งใหญ่ในวันเกียร์มาถูกลงโทษสองครั้งนะครั้งหนึ่งในดุนยานี้และก็อีกครั้งหนึ่งในวันเกียร์ในดุนยานี้เนี่ยลงโทษยังไงนักอธิบาย อุราัส่วนมากเนี่ยให้น้ำหนักกับทาศนาอิบนาบบาสว่าถูกลงโทษในโลกดุนยานี้ด้วยการถูกแฉนถ้าเขาไม่ตบักตัวนะจะถูกแนในสังคมว่าเป็นมูนาฟิกซึ่งในยุคของท่านนบีเกิดขึ้นนบีละหมาดูมาระบักตีแล้วเนี่ยพวกมูนาฟิกนี่เขาก็จะมัละหมาดกับท่านนบีละหมาดฮาวกตูละหมาดละหมาดุม แต่เวลาละหมาเสร็จแล้วเนเขาก็ไปตั้งวงกันแล้วก็นินทาใส่ร้ายวางอุบายวางแผนทําร้ายสังคมแล้วคนคยกว่าอยู่แบบปลอดภัยแล้วจะไม่มีมาตรการมาตรการยับยัง้งของเขาเลยจนมีคำสั่งให้ท่านนาบีแฉบางคนขณะที่นบีกำลังคุณบ้านอยูคนน่คนนี้ลุกขึ้นคนนี้ลุกขึ้นเจ้าเป็นมุนาฟิกออกไปไล่ออกจากเมซินเลย อัน น, นี้คืออาซาบคือการลงโทษที่เจ็บเสบที่สุดที่สุดเลยลองคิดดูสิคนพวกเนี้ยสองสามคนที่ท่านนาบีแ้แบบนี้เขาจะทำเขาจะทำตัวยังไงอยู่ในสังคมยังไงก็มีบางคนเนี่ยมีบางคนที่เขาเตาบัดตัวแล้วก็มาสารภาพกับท่านนาบีแล้วก็นบีก็ นบีก็รับเตาบัด ต, ตัวของเขาแล้วก็ให้เขาอยู่ในสังคมแล้วก็ปรับตัวในสังคมนี้ให้ดีขึ้นแต่บางคนเนี่ยในสังคมก็ระแวงเขาระแวงไม่ยังไม่เชื่อว่าเขาเปลี่ยนแปลงเตาบัด ต, ตัวหรือเปล่าและเขาก็คงใช้ชีวิตแบบแบบทรมานเหมือนกันทีน่อยู่อยู่ในสังคมสายตาลองคิดดูสิยืนในละหมาแล้วก็มีคนที่นบีเชื่วอวเป็นมูนนี้มาละหมาด <C> <uter> ความรู้สึกคงคงจะอายานี้ถ้ามองถึงการเล่าเหตุการ์เล่าเหตุการ์ในเชิงประวัติศาสตร์ที่มาที่ว่าอายานี้บอกกับเราว่าขณะที่น บ, บีมุฮัมมัดอยู่ในเมืองมาดินะแล ะ, ะรอบรอบเมืองมาดินะเนี่ยมีชาวชนบท แต่นึกจะมามาดินามาเรียนรู้กับท่านนบีนี่ก็นบียังมีชีวิตอยู่คุรอรานกาลังถูกประเถประดาลงมาสดสดดิบดิบเลยนะท่าก็ยังมีมุนาฟิกใคยังมีมุนาฟิกสังคมไม่มีมาดินสังคมไม่มีไม่มีนบีอ่ะจะไม่มีมุนาฟิกเป็นไปได้มันยิ่งแล้วอีกสิขนาดนบียังอยู่ยังมีมุนาฟิกเลย ในเมืองมดีนาเนี أ أ ่ยอัลลอฮฺยังวิจาร์บอกว่ามารดัวอะไรนี่ว่าถือวอในเมืองมดีนาเนี่ยมีหมดที่ฝังลึกอะที่เป็นมุนาวิกฝังลึกนะอยู่ในเมืองมดีนาสาหรับผมนี่อาย่านี้อาย่านี้น่ากลัวมากน่ากลัวมากเพราะอะไรเพราะมันม่งบอกว่าความดีในสังคมเนี่ย ความดีของคนหรือคนดีในสังคมเนี่ยมันไม่ได้เป็นการกา ร, การันตีว่าทุกคนในสังคมเนี่ยจะดีไปด้วยหรือการกระทำของเขานี่ยจะดีไปด้วยฉะนั้นเราเลิกหลอกตัวเองว่าอ๋อฉันจะอยู่ฉันรู้ว่าฉันเนี่ยเป็นคนชั่วแต่ฉันจะอยู่กับคนดีฉันฉันจะได้ถือว่าเป็นคนดีไม่ใช่ไม่ใช่การที่อยู่กับคนดี จะทำให้เราเป็นคนดีแต่การที่เราทําความดีเหมือนคนดีที่จะทําให้เราเป็นคนดีอับดุลร่อบิลหิวบิยุมนิสซูลเนี่ยเดินนิติดกับนบีเนี่ยดิเคยบอกกับพี่น้องว่าอับดุลร่อบิยุสลุนนี่นะมัจลิสนบีมีที่ไหนะนี่แกก็ต้องขอพูดหน่อยขอพูดหน่อยหิวแสงอับดุลร่หิวแสงเฮ้ยเฮ้ย า, าวมดีน่าจะออนซอนนี่นะนบีจะพูดนะพวกเราต้องเชื่อฝังนบีนะเว้ยกนี่แกจะชอบหิวแสงชอบพูดแบบ โดยเาะวันศุกร์ที่บการนี้มอาชระวนนักบวชนัุยินมาจกองคตุล์นยส์เขาเป็นคนแรกวันศุกร์นีที่จะขึ้นก่อนนบีจะขึ้นคุณบ้าบอกว่าเฮ้ยชาวอันซุ่เอ้ยเพราะเขาเป็นชาวมัธยินะไงเขาเป็นชาวยาซิมเฮ้ยชาวอเราต้องเชื่อฟังนบีนะเราต้องปฏิบัติตามนบีนะ ขณะนี้ในยู่ใกล้ชิดกันกนะพี่แต่เป็นหัวโจกมูนาฟิกมันไม่ดีที่คนที่รอบรอบเราถ้าเราอยู่กับคนดีและคนดีเนี่ยไม่เปลี่ยนให้เราได้ทําความดีเราก็ยังเป็นคนเลวอยู่อ ย, อ ย, อยู่อยู่อยู่เสมอไม่ใช่อยู่ดีนะแล้วก็ยังยังเป็นคนยังเป็นคนเลวอยู่แต่ได้ความดีเนี่ยนะติดเชื้อแล้วก็ทำให้เราทําความดีแล้วก็เปลี่ยนแปลงด้วยกันทําความดีอันนั้นน่ะถึงจะเรียกว่าเป็นคนดี ที่บอกว่าน่ากลัวนี่น่ากลัวนี่หมายถึงว่าเราอย่าคิดว่าอ๋อฉันมีฉันมีพรอพวกเป็นคนดีฉันเพราะเพราะมันเป็นความคิดของคนบางคนในสังคมเขาคิดว่าเออมีมีเพื่อนเป็นคนดีบ้างเมีเขาจะได้เขาจะได้ไม่ถูกแบ่งแยกว่าเป็นคนเลวไปเสมออย่างเงี้ยมันมันช่วยไม่ได้เยอะหรอกถ้าเป็ไงอ่ะมุนาฟิกเนี่ยจะได้เตาบัดตัวนี่นะ ขโมนาวิกเนี่ยเขามีแก๊งทุกคนเนี่ยก็มีแก๊งมีเขาเป็นหัวโจกไหมเนี่ยเขาก็มีแก๊งของเขาใช่ไหมจะได้เติมบาดตัวน่ยต้องตัดมีมีแล้วไม่มีวงมูนาฟิกจะมานั่งนินทาน่ยต้องเลิกถึงถึงจะได้กลับเป็นผู้สัตยาแต่ดาก็ยังอยู่ในแก๊งเนี่ยเขาก็จะยังสงสัยอยู่เราจะเราจะเลิกเป็นคนเลวจะเลิกเป็นคนชั่วเราก็ต้องเลิกครบ เพื่อนเลวคนชั่วต้องเลิกหมดเลยเลิกหมดเลยไม่ใช่ว่ามีมีทั้งสองอะ่ะนี่ก็ผมว่าเป็นโมนาฟิกโมเดลยังบ้านเรานี่มีเยอะโมนาฟิกโมเดลเพราะมันข้อบังคับไฟบังคับในสังคมเราอยู่ในสังคมพระวอฒนธรรมเราต้องมีเพื่อนใช่เรามีเพื่อนต่างศ ส, สนิกมีคนที่ไม่ดีในสังคมแต่มันมีขอบเขตไย ไม่มีขอบเขตเพื่อนที่ไม่ดีคนชั่วคนเลวในสังคมถือว่ามีธุระอะไรเหมือนตอนขึ้นรถเมลแล้วก็จําเป็นต้องนั่งเก้าอี้หนึ่งแล้วก็คนนี้มานั่งข้างๆเราเนี่ยสมมติตัวเป็นคนเลวที่สุดในประเทศแต่ที่สุดเนี่ยพอถึงจุดหมายถึงป้ายที่เราต้องลงเราลงไหมลงแต่ถ้าเราสนิท ก, กับเขาเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเราอย่าเพิ่งลง ไมไดิถ้าเพื่อนคนเลวเนี่ยเหมือนคนมานั่งข้างเราในรถเมล์นี่แหละมีธุระอะไรนี่ก็เอาเธุระนั้นนะจบแล้วนี่ก็จบกันเลยนะแต่ถ้าไปมากกว่านั้นนะ่ะแสดวงว่าไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนนั่งรถเมล์ด้วยกันแล้วอันนี้มีขึ้นระดับอีกระดับหนึ่งละคุยกันอันนีอ้อิน้ำช า, ากันสู้ๆเรื่กันมันก็ขึ้นขึ้นระดับไปเรื่อย จนสุดท้ายนี่มันแยกไม่ออกไงเพราะเราก็โอ้เราก็มีเพื่อนคนดีมีมุสลิมมีคนละหมาดด้วยกันเมือ่อไรและในขณะเดียวกันก็มีเพื่อนที่เราสนิทสนมที่เขากินเออกินเหล้ากินเล้าด้วยกันเขาไม่ได้กินเหล้าแต่เราก็สนินกันเวลาถึงเวลากินเหล้าเนี่ยเขาไม่กินเหล้าเขากินน้ําชา ก, กับเราทั้งเรานี่มีเพื่อนต่างเสนิทนี่ได้แต่การที่จะให้ชีวิตของเขากับชีวิตของเราเนี่ยมันเข้าหากันเนี่ยอันนี้เนี่ยไม่ได้ ถ้าเรารู้สึกสนิทสนมมีความสุขในการพูดจาพูดคุยกับเขานี่มากกว่าที่พูดกับผู้ศรัทธากับคนดีนะอันนะั้นนหะคือปัญหาแต่ได้กว่าก็ามีก็คร บ, บแต่ตามวารรคอันนั้นก็ได้สมัยท่านนบีก็มีมีกุฟานนบีก็มีกุฟานที่คบหาสมาคามบูดคุยก็มีทําได้แต่ไม่ถึงขั้นที่จะลึกลึกขนาดเป็นเพื่อน สนิทในชีวิตของเราอันนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยต้องต้องระวังตัวเองเพราะมันจะทำให้ความเป็นวูนาฟิกเนี่ยสามารถมีเมล็ดที่เติบโตได้เรื่อยๆคือจะถูกสถาปนาว่าคนกลับกรอกเนี่ยก็หมายถึงว่าหมายถึงว่าอยู่ได้กับทั้งสองสองสังคมสองประเภทสองกลุ่มอยู่กับความดีก็อยู่ได้อยู่กับความเลวก็อยู่ได้ เฮ้ยทำไมไปปาตี้เนี่ยก็พี่ผมต้องเข้าสังคมคุณคุณแม่ครับเนี่ยผมต้องเข้ากับสังคมล่าสุด น, นี้เห็นมหมเรื่องวัยรุ่นที่ถูกฆ่าพอไปเล่นสงการไปเล่นสงการแล้วก็ไปมองไปมองหน้า ไปมองหน้าเมียเขาก็ประเดี๋เมียเขาก็ผัวก็ เ, เ, เ, เป็นทอมอ่ะไอ้ทอมก็เลยเรียกแก๊งทอมมาฆ่าเป็นมุสลิมเด็กเป็นมุสลิมจุดเริ่มต้นนี่จะเริ่มตนน้นในนี่แหละคือรู้สึกเบิกบานนเวลาไปเล่นสงการเบริกบานมันไม่ได้ไงมุสลิมต้องรู้สึกรังเกียจนะมันไม่ใช่ของเรามันคนละ คนละความเชื่อคนละเรื่องคนละชีวิตไงแต่การที่เราเออเบิกบานเนีศาสตร์ศาสตร์ไปสาสตร์มาสนมกันแล้วไงสนิทสนมกันละมองหน้ากันจีบกันอะไรกันเกิดเรื่องแน่นอนโดยเฉพาะในพวกแกงบวกนี้เนี่ยมองหน้าไม่ได้มองหน้าเนี่ยเป็นบาปใหญ่เลยเก็ดสงครามไเนี่ ย, ม, ยนะมองหน้าเนี่ยที่ถล่มสถาบันกันเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยคือมองหน้า ก็เพราะอะไรก็เพราะก็ไปเข้าไปเข้าไปเข้าสังคมกันนี่อายะนี้มันไม่ได้เป็นอายะที่เล่าเรื่องในอดีตโอ้สมัยนบีนี่มีมูนาฟิกรอบๆมาดิน่ามีมุนาฟิกกลายเป็นข่าวใช่ไหมไม่ใช่มันเป็นเรื่องที่น่ากลัวว่าขนาดสมัยนบีนี่ยังมีมูนาฟิกน่ะในมัสยิดนบีนี่มีมุนาฟิกน่ะเรื่องที่น่ากลัวนะไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าฟังข่าวแล้วก็เออจริงด้วย มิใช่ว่าอัครูน اعترف بذنوبهم خلطوا عمل صالح وآخر س ئ ا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله فو ر ر ح م نأبكم م ن ا ف ق ن ซึ่งเขามีความเป็นมุนาฟิกในหัวใจที่เป็นแท้แต่มีกลุ่มที่เขาเคยเป็นมุนาฟิกแต่เขาก็เตาบาดตัวนี่กลุ่มนี้ที่ผมบอกว่า กลุ่มนี้ที่อัลลอฮฺซุลเาะะน Ư วะตะอลยุกโทษให้และมีชนกลุ่มอื่นอารูนอื่นจากพวกมุนาฟิกในมดีนาในอาหรับชนบทชนกลุ่มอื่นก่าตรฟูบิสุนูบิฮิมที่สารภาพความผิดของพวกเขาสารภาพพวกเขาเป็นมุนาฟิกพวกเขามี เขามีพฤติกรรมเขามีแก๊งกของคนอินทานบีนินทาซอฮาบาาาาสะเขาใส่รศาสนาอิสลามขาลตัวทมาลสอเลฮันห์อัลขะดะไซยัดเรบอกนะโดยที่พวกเขาประกอบกรรมดีคือทำความดีนะ่ะประกอบกรรมดีปะปนไปกับงานที่ชั่วทำมาลสอเลหันกรรมดีอะฮ์ขะดะไซยันกับงานที่ชั่ว มีทั้งสองอย่างแสดงว่ามุนาฟิกะอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะมุนาฟิกเขาอาจจะทำความดีที่อัลลอ์ที่อัลลอ์วิจาร์ว่าเป็นความดีแต่ปัญหาของเขานี่ก็คืออาขราซีอ่าและการมีอื่นๆเนี่ยการงานอื่นๆที่มันชั่วร้ายที่มันชั่วร้ายนี่ก็คือความเป็นมุนาฟิกของเขาที่ละ ซึ่งมันเป็นชิ้นงานที่ที่รายที่สุดอาจจะน้อยกว่าก็ได้เขาอาจจะมีความดีอย่างอื่นเหมือนมะเร็งมะเร็งมันเป็นเนื้อร้ก้อนก้อนเดียวแต่มันสามารถทำให้ร่างกายนี่สุดไปทางรังถ้าถ้าชิ้นงานที่มันร้ายแรงมากที่มันเลวร้ายมากเลวร้ายมากเนะมันจะให้ความดีที่เราสะสมไว้เนี่ยมันเหมือนไม่มีความหมายละหมาดก็ละหมาดทาบุญก็ทาบุญ แต่มันมีมันมีงานที่มันร้ายแรงมากทําลายความดีหมดเลยส่วนมากนี่เนื้อร้ายหรืองานร้ายแรงที่มันจะทําลายความดีเนี่ยส่วนมากจะมีเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อเรื่องอาคิดะความไม่บริสุทธิ์มาทำความดีทำสองสาชั่วโมงแต่เนีย่ยเจตนาเนีย่ยเนี่ยไม่ดีความดีทั้งหมดเนีย่ยสุดใช้ไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราเรื่องที่เถี่ยว เร่งนี่ยเจตนาไม่ดีนิดเดียวมันนิดเดียวจริงๆทำความดีเยอะแยะเลยแต่มีเรื่องเดียวก็คือความเป็นมุนาฟิกไม่เลื่อมใสกับอิสลามไม่เลื่อมใสกับหลักการแล้วไม่จะเป็นต้องไม่เลื่อมใสทุกหลักการไม่ใช่บางหลักการเดียวก็ได้ทล้งที่บอกว่าอันตรายนีปัจจุบันนี้เนี่ยความเป็นมุนาฟิกเนี่ยที่มันค่อนข้างเห็นชัดเนี่ยในกลุ่มพวกเลเบลลี่ เสรีนิยมใส่หมวกใส่อะไรใส่ทุกอย่างนี่ครบท้วนสมบูรณ์นะแต่บางอย่างนี่เช่น LGBT ถ้าใคสนับสนุนกฎหมายสมรสเท่าเทียมอา้ามันสิทธิ์ของเขาอ่ะไอคนที่พูดนี่มุสลิมนะ่ะมีกะลิมา น, นะ เราก็มีสิทธิ์ของเขาจะเราจปเ ร, จ ะ, ปเรจะไปห้ามคนยังไงอ่ะพวกเทุกคนก็มีสิทธิ์นี่ดีแต่ไปดูในชีวิตของเในความดีเยอะแยะเลยแต่การนี่หักล้างเพียงหลักการเดียวเนี่ยว่าอ๋อแสดงว่ามนุษย์คนไหนนี่มีสิอยากจะทําอะไรความชั่วเราจะห้ามเขาไม่ได้เขาจะท้าทายพระเจ้านี่ไม่มีปัญหาอันนี้อันนี้อันนี้ร้ายแรงมากเลยอะ่ะมีความหมายหรือักดีดาของท่านนีพังหมดเลย อย่างอุลมะนี it, so ่บอกว่าปฏิเสธหลักการเดียวในอิสลามเท่ากับปฏิเสธอิสลามทั้งปวงทั้งปวงแต่อัลลอฮ์ก็ยังเปิดช่องความหวังให้คนเหล่านี้อัสลลฮอยบะอลิมอัลล์บอกว่าหวังว่าอัลลอ์จะทรงอะัยโทดให้แก่พวกเขาอินนัลลอฮกฟุรรฮมทาจินอัลลอฮ นั ة. ه. ่นคือผู้ทรงอภิยโทษผู้ทรงเอนดูเมตาเสมอาซาีหวังว่าถ้าแปลน้าภาษาอ р ก็หวังว่าแต่อุลามะที่บาอ่านอ่านเขาบอกว่าอาซาฟิลคุรานีอาซาฟิลคุรานีมีมานาลวดอาซาในคุรานีเป่าสัญญาถ้าล l าบอกว่าอาซาหมายถึงไม่ใช่หมายถึงหวังนะหมายถึงว่า a l สัญญาว่าจะให้ทำไมอะ เพราะเรื่องอภัยโทษเรื่องอะไรเนี่ยอัลลอฮ์ะจะอัลลอฮ์ะจะไม่ให้ความหวังที่มันไม่มีความแน่นอนเพราะจะเป็นความหวังเหมือนความหวังทั่วไปนี่นะใครใครจะอยากจะกลับเนื้อกลับตัวลรืใครอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตละ่ะถ้าถ้าการนีนะมันอามร บ, บุญลาสนีอามร บ, บุญลาสใตอนก่อตีการับอิสลามนี่คือศัตรูชะกาศกับท่าน น, บ, านบีทำนบีว่าเยอะเลย อคำนบีว่ายืนเลยแต่พอแกรู้ว่าอิสลามนี่เป็นสัจธรรมนี่แล้วก็บอกกับนบีเนี่ยว่าจะรับอิสลามนี่ไป็นฮาตนนบีนบีก็ยื่นมือบอกว่าอามรอัสลิมอามราุบดีลาสก่อนที่จะจับมือนบีเนี่ยแล้วก็สตยบาบังรับอิสลามเนี่ยอา้าวนะอัลตัมบีเนียวกันนบีผมมีเงื่อนไขผมมีเงื่อนไขเฮีงจะเงื่อนไขอีกใช่เพราะเรื่องเขากลัวมากเนี่ย บาปา <the> <preserve> <universe> the <the okay. ี่กด้วยเนีย <derivatives> บ <th> ่ฮาบิกด้วยดัเนียฉัตทุ่อนี่ยั่งรอัลลาห์ลีม้ตักรดมเงื่อนไขว่าอามะต้องให้อภัยฉันในเรื่องที่ฉันทําไว้เชิญเพราะอันนี้เป็นเรื่องหนักใจมาก่ยคือถ้าไม่มีความหวังนี่เอาอาถ้าไม่มีความหวังในเรื่องนี้นะว่าจะให้รับอภัยอภัยโทษได้นะเรจะรับมิซางทำไมอะ คนที่จะเต้าบัตตัวนี่ถ้าเอออัลลอฮ์จะจะลบลาบ้างแบบถ้าถ้าสงสัยถ้าถ้าน้อยกว่าห้บเแล้วฉันจะเตาบัตรตัวทำไมไม่เราจะสงสัยไม่ได้เราต้องมันลลม่นใจว่าอัลลอฮ์จะให้อะไรมั่นใจว่าอัลลอฮ์จะเมตตานบีก็เลยบอกว่าโ oh, อ้ฮามรท่านไม่ทราบรหรือว่าอันนัลอิสลามไมาจจบบมากับเลาใครที่รับอิสลามนี่ล้าหมดเลยกลอดอดีตนี่ล้างหมดเล ย, ลลเลยซึ่ง คนที่ได้ปนเนี่ยเราได้บอกว่าคนที่ประกอบกรรมดีปะปนไปกับงานที่ชั่วปนความดีกับความชั่วปนปนไปอุลมาได้บอกว่านี่คือสภาพผู้ศรัทธาส่วนมากส่วนมาก จะมีน้อยคนที่ดีแบบดีผิวๆเลยไม่มีไม่มีบนน้อยมากในสังคมแต่ละยุคะนะะเห็นู้คนที่หัาไม่มีไม่มีมนฑินเลยนี่เรามาลองลอ ง, งดูกันนะแล้วบางทีที่เราคิดว่าไม่มีมนฑินนี่เขาอาจจะมีก็ไดนะ้แต่เราไม่รู้แต่โดยข้อที่จริงหนิดจะมีอาจจะมีแต่น้อยมาก แล้วคนที่มีแต่ความชั่วล่ะอันนี้ก็น้อยมากรวมถึงคนที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยนะเราจะเรียกว่าเออคนนี้ไม่ใช่มุสลิมคือชั่วแลยก็แต่เขามีความดีมนุษย์ทุกคนเน่ยต้องมีความดีบ้างแต่จะชั่วเลยนะหายากดีเลยนะร้อนตะนะก็หายากส่วนมากแบบไหนก็แบบนี้แหละข้อละตัวอ้ามันละสาเหตอลคนโชคดี ที่การงานดีของเขาเนี่ยมากกว่ามากกว่างานชั่วถ้างานดีมากกว่างานชั่วก็จะถูกสถาปนาว่าเป็นคนดีแต่ในวันเกียรมาานี่จะมีมีดีเทลมีรายละเอียดนิดหนึ่งแต่ในโลกดุนยานี้เนี่ยถ้าคนที่ปนความดีกับความชั่วและความดีมากกว่าความชั่วและเขาสามารถเตาแบบตัว ลบล้างความความชั่วทั้งหมดเนี่ยเสียชีวิตในสภาพที่เต้าบาดตัวนั่นอั น, านา่ะโชคดีโชคดีก็หมายถึงว่าวันเกียรมานี่วันเกียรมานี่จะฟื้นคืนชีพแล้วพอถูกเ <c oughs> สนอสมุดการงานไอ้คนคนที่ทําความชั่วเนี่รู้ว่าตัวเองทําความชั่วในสมุดแต่พอเปิดสมุดบันทึกการงานเนี่ยเฮ้ยมีแต่ความดีความชั่วนี่หายไปก็เอาลบรูปล้างไปหมดเลยลบร บ, บไม่มีแล้วไม่เหลือ โชคดีที่สุดและนี่ภารกิจขพวกเราทุกคนที่ต้องทำให้ได้ก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยให้มีความมั่นใจว่าไอ้สมุดการเงินที่มีอะไรเลือดเทือกมากๆเนี่ยให้มันให้มันถูกลบไปไปวันเกียร์มานี่เพราะไปวันเกียร์มาเนี่ยจะไปเปิดสมุดแล้วก็ยังเจอความชั่วที่เราทำมาันมันอับประยศเนี่ยแต่เราอยากจะเปิดแล้วไม่มีไม่มีมีแต่สีขาวทั้งนั้นนะ แต่โชคดีแต e ่ปัญหาของคนบางคนที่อาจจะไปวันเกียร์มาดิพร้อมกับงานช่วงงานดีทีปนปนไปนี่นะไปวันเกียร์มาดิอิหม่าบุครีได้รงานหะดีี่เกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งเป็นฮะดีสน่ากวมากนะครับอิหม่าบุครีบว่า ح ถ้ามันท่านนบีได้เล่าเรื่องรุกยาเรื่องฝันที่ท่านนบีเคยฝันซึ่งฝันนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องวันเกียร์มานบีบอกว่าอตานิเล่แล ะ, ะอะติยานิคืนนี้นี่ได้มีผู้คนสองคนน่าจะเป็นมาเลย์ค่ะฟับจาแซนีและได้ฟื้นคืนฟื้นคืนฉันหนึ่งมาต้นนอ น, น, นแล้วก็ฟื้นคืนเพราะนอนเนี่ยมันก็ถือว่าตายระดับหนึ่ง ฟ้าตาวานี่ได้ฟื้นคืนฉันขึ้นมาแล้วก็พาฉันไปฟันตาฮีนาอิลามัดีน่ะเราได้ถึงเมืองเมืองหนึ่งมัณฑียตุนบิลาบินินเซฮับอลบินินฟิดถูกสร้างมาจากส่วนหนึ่งจากทองคำอีกส่วนหนึ่งจากเงินฟาตลลกานาริจาลุนแล้วก็มีบุรุษคน ชัตทร์นมิ่น خلق ิ่มกเค่อพแสนะมาอันตรออินบุรุดที่มาตั้นรับพวกเราเนี่ยส่วนหนึ่งของร่างกายของเขานี่นะสวยงามที่สุดว่าชัตทร์นกเอควบหิมาอันตรออินล้ก็อีกส่วนหนึ่งเลวร้ายที่สุดน่าเกลียดมากไม่น่าดูเลยกอละละหุมสองคนเนี่ยที่พาฉันไปเนี่ยได้บอกกับบุรุษพวกนั้นเน่ย จะหั่นูฟะก้าอูฟีดัลิกันนารีจงไปแล้วก็ไปกระโดดดำน้ําในแม่น้ํานั้นนะเพราะว่ากะอฟีเขาก็เลยกระโดดไปดำน้ําในแม่น้ํานั้นนี่ทั้งหมดในในฝันในรุยาของท่านนบีนะทุมมารจั่อูอีเลนากัฎฮะบะดลกะสูอูอันฮุมพวกนี้ก็กลันมาหาเราเนี่แต่ส่วนเลวร้ายในร่างกายของเขาเนี่ยที่ไม่น่าดูเลยนะมันหายไปแล้ว ฟาซาลูฟีอัพสันในสินเขาก็กลายเป็นคนที่มีรูปร่างที่ดีงามที่สุดสวยงามที่สุดกาแลลีสองคนที่พาฉันไปเมืองเนี่ยบอกกับฉันว่าแฮดิฮีจันนาตัวดินินนี่คือสวนสวรรค์ฉันอดินอดนี่ก็เป็นฉันฉันฉันสูงในสวนสวรรค์แล้วจันนาตัวอาดินิแต่จริงในคุ่านมีเยอะแะใช่ไมีอุลลามะเขามีความเห็นที่แตกต่างกันว่า อันไหนที่อันไหนที่สูงกว่าจันนาตัอันหรือฟิลดาสเคยพูดเรื่องนี้ถ้าสันนั่ต้งนี้ก็ฟิลเดาสนะแต่จันนาตนอันนี้ก็มีมีความสูงส่งเหมือนกันแต่แต่อยู่ข้างล่างแค่ชั้นฟิลดาสนะสรุปแล้วว่าคนที่มาพามาหาท่านนบีที่ฝันนี่ก็คือมาลายก่างไงแล้วก็พาท่านนบีไปดูสวนสวรรค์ชั้นนาฏเนี่ย แล้วเขาบอกกับท่านนบีบอกว่าเฮมันิลกนี่คือบ้านของท่านในสวรรค์อลาตันเนี่ยกลาแล้วละก็บอกต่อไปว่า أما القوم ا ل ช ي ن كانوا شطرٌ منهم حسنٌ وشطرٌ منهم قبيحٌ ส่วนมนุษย์ที่มาต้อนรับท่านส่วนหนึ่งของร่างกายนี่น่าดูดีส่วนอีกส่วนหนึ่งน่ารังเกียจดูไม่ได้เลยเนี่ย คนเหล่านี้ก็คือ فإنهم خلطوا عمل صالح و خرسيان พวกเขาเนี่ยได้ปนการงานที่ดีกับงานกับงานการงานที่เลวร้ายท้ยฮะดิษเนี่ยมาเลก็สองตอนนี้ได้บอกว่า فتجاوز الله عنهم Allah ได้ให้อภัยพวกเข้า Allah ล l l a h ได้ให้อภัยพวกเขานี่หมายทีงหมาให้อภัยพวกเขา ในโลกดุนยานี้ก่อนที่จะตายแล้วนี่นะเาลาให้อภัยแล้วหรือวันเกียร์มาเนี่เขาไปถึงวันเกียม์ายังมีความบาปที่อลัลลอยังไม่ได้อภัยแต่อลัลลอฮฺจะให้อภัยเขาเนในวันเกียร์มาอันนี้สองสองทัศนะไม่สองสนะทัศนะทีความได้สองสองอย่างทีความได้อีกอย่างนึงซึ่งมันไกลไม่น่าจะเป็นไปได้หมายถึงว่า ที่ให้เขาไปไปไปดำน้ำในในแม่น้ำเนี่ยจะได้ล้างส่วนของร่างกายที่มันไม่ดีงามเนี่ยหมายถึงว่าเขาไปไปล้างตัวในในนรกหรือเปล่าแต่มันไม่น่าจะตีความแบบนี้ได้เพราะในฝันเนี่ยเราต้องตีความในสิ่งที่มันใกล้เคียงตีความว่าน้ำเป็นไฟนี่ไม่ได้ตีความว่าน้ำ น, น้ำเนี่ควรได้ดีความว่ามันคือการเตบัดตัวเพราะการเตบัดตัวอย่างเดียวที่มันสามลารถล้างล้างบาปล้างผิดถ้าเอาฮาริสนี้ซึ่งฮาริสนี้เนี่ยใช้สํานวนเดียวของอายะฮ์ขลตู อ, อัมมลันซาลิฮานุอัลฮะถ้าเอาฮานี้นมาประกอบกับอายะนี้เนี่ยอายะนี้ถื อ, อว่าอุลามาบันทันกันว่าอายะนี้ที่สร้างความหวังที่ดีที่สุดสําหรับคนที่ทําบาป โดยเฉพาะคนส่วนมากที่เขา้าปนพวกเราทั้งหมดนี่ลประเภทนี้แหละปนงานดีไม่ไม่ดีบ้างดีบ้างปนข่าวดีก็คือฟฟตเจาะวะสัลลอฮฺอานุอัลลอฮนี่ยกโทษให้และในขณะเดียวกันอ้ะันนี้กำลังพูดถึงพูดถึงใครพูดถึงพวกมุนาวิทเนี่ยเพราะ ก่อนหน้านี้เรา ก, ก็มีพวกมุนาฟิกหัวอาคารุนแต่มีอีกกลุมนึ่ที่เขาปนก็หมายถึงว่ากลุ ม, มุนาฟิกนี่แหละที่ปนความดีกับความชัว่วไพูดถึงมุนาฟิกแสดงว่าเขากำลังมีบาปใหญ่มากเรื่องมุนาฟิกแต่ก็เขาเต้าบาดตั ว, ตวอัลลอฮ์ก็ให้อภัยอันนี้ที่ถือว่าเป็นข่าวดีถ้าใครที่มีพฤติกรรมของมุนาฟิกีนถ้าใครที่มีบาปใหญ่ที่ปนกับ ความดีถ้าใครดีไม่รู้ว่าชะตากรรมชีวิตจะเป็นยังไงนี่นี่เป็นข่าวดีเป็นความหวังว่าทำเรื่องนิดเดียวนิดเดียวความดีนี่ดีแล้วที่ทำว่าดีแล้วล่ะแต่ไอ้ความชั่วเนี่ยไปปรับปรุงซะทำให้ดีเตบบัตตัวขอลุกขอโทษต่อเราสมฮานอวตาและเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีคนเรานี่บางทีจะลบล้าง ลบล้างประวัติของตัวเองเนี่ยในสังคมในกฎหมายเนี่ยบางทียากยากเคยรถชนคนตายอะไรเงี้ยมันจะมันจะอยู่ในประวัติของเราตลอดเลยแต่คิดดูสิคนฆ่าตัวตายคนดื่มเหล้าคนทำบาปใหญค่คนเป็นมุนาฟิกเป็นไพวกนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะถูกล้าง เราสามารถล้างประวัตินะั้มันไม่มีในโลกเุื่องยานี้ไม่มีแต่สําหรับอ AH ัลลอฮ์น AH ี่มีท้าเรามาจะล้างประวัติเนี่ยเป็นสมุดสีขาวไม่มีความชั่วไม่มีแต่ที่มันมากกว่านั้นน่ะมากกว่าที่อัลลอฮ์จะลบล้างความชั่วนะลบล้างความชั่วและไอความชั่วที่เคยทํานี่มันกลายเป็นความดีอันเ น, น, นี้ยงงที่สุดอันเนี้ยงงที่สุด เคยไปกินเหล้ามาแต่เต้าบาดตัวแล้วไปวนเกียร์มาหน่ไปยืนต่อหน้าตัวฮัลนน่รู้แล้ววันนี้ตรงตรงมีตรงมีอัลลอฮ์ก่อนเพออัลลอฮ์ให้อภยัยแล้วไงเอาบาปเล็กก่อนนี่แกทําเปล่าทำวะผมทํ า, ผ ม, ทาผมยอมรับบาปเล็กนี่ทาเขาอยอมรับสารภาพนี่เพราะเขาแอบบดีใจว่าไม่ได้เอาบาปใหญ่มาเพราะนี่แค่ บ, บาปเล็กนะโอสารภาพไปดีกว่าบาปเล็กนี่ทําผมทํา แต่ใจลึกเนี่ยกลัวบาปใหญ่นี่เลาสวยแน่เลยอัลลอฮ์บอกว่าให้งั้นบาปเล็กนี่เดียวฉันให้เป็นความดีหมดเลยแค่นั้นแหละอัลลอฮ์จ๋าแล้วก็บาปใหญ่ของฉันหายไปไหนหมดนะเพราะรู้ไงอันนี้นี่ยที่ที่มันงงที่สุดเนี่ยว่าไอ้ของชั่วที่เราอับอายไม่อยากจะเห็นมันในวันเกียรมั้งแต่พอวันเกียรมั้งนี่เนื่องจากว่าอัลลอฮ์ให้อภัยแล้วนี่นะจะกลายเป็นความดีตอนนั้นแหละเราก็อยากอยากจะรู้บ้างไง ความชั่วเล็กๆ เ, เนี่ยเรายัางเปลี่ยนเป็นความดีแล้วก็ความเลวใหญ่ๆเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนเป็นความดีนี่มันจะขนาดไหนอุไรกะยบดลุล ล, ลอฮฺ سيّادي محسنات ในสเรษัลฟุรขานอัลลอจะเปลี่ยนถ้าตมโตบัตตัวเราจะเปลี่ยนความชั่วของเขาเนี่ยเป็นความดีนะครับและนี่คือสิ่งที่ท่านนบีก็ได้เปิดความหวงังให้กับพวกมุนาฟิติน ในบัยของท่านนาบีก็สําเร็จผลทําให้ความเป็นมุนาฟิกนี่ในช่วงแรกที่มั ด, ดีนาในอรุระบาดโชคมุนาฟิกเยอะแต่สุดท้ายนี่ก่อนท่านนาบีเสียชีวิตนี่เหล่มุนาฟิกไม่กี่คนแสดงว่าในบัยของท่านนาบีประสบความสําเร็จในบัยมีหลายอย่างนะ่ยมีทั้งแฉบ้างมีแต่ส่วนมากนี่แฉพฤติกรรมแฉพฤติกรรมและจากนี้เป็นต้นไปเนี่ย Allah ก็จะพูดถึงพวกมุนาฟิก หรือที่เคยมีพฤติกรรมของมุนาฟิกรรโดยเฉพาะที่เขาไม่ได้ออกไปสงครามกับท่านนบีสลลัลลฮุอัลฮิซัลวว่ามาตรการเตาบัด ต, ตัวของเขาเขาได้ทำอะไรเลาลถึงจะจะให้อภัยโทษกับเขามาตรการของคนที่เคยเป็นมุนาฟิกรรแล้วกับนกะกับดูแลกับชอรอเดออาทิตย์หน้านี้ก็จะเล่าเรื่องของสอาบะบางท่านที่เขาได้ได้เปลี่ยนแปลง ที่เคยเคยมีพฤติกรรมของมนาบิกแล้วก็แล้วก็ได้เปลี่ยนแปลงไปนะครับสําบรบนีฝากเป็นแค่นี้นะครับอัสลลอลลานะบนามุฮัมมัดินอัลอ์อาลีอซบุสัลลัมมีคำถามไหมครับเป็นไปได้ว่าเกการลืมเป็นไปได้นะการลืมสองเผื่อว่าจะได้ปรึกษากับฮอเซฟะในโอกาสต่อไปในการ ในการที่จะเปลี่ยนแปลงในการที่จะด่าว่าเขาในการที่จะระมัดระวังเขาเพราะแน่นอนการที่ในประวัติในฮะดีสบอกว่าอูเซฟ่าเนี่ยได้จดเนี่ยไม่ได้หมายรู้ว่าหน้าที่ของเซฟ่านี่ก็แค่จดชื่อแล้วก็เก็บใส่กระเป๋าเนี่ยไม่ใช่นะก็คงจะอ า, อาจจะมีบทบาทหน้าที่อื่นด้วยก็หมายถึงว่าจดชื่อแล้วก็ให้ดูด้วยนะดูเบาะแสด้วยนะระวังนะ พวกนี้อาจจะเป็นภัยสำหรับสังคมอาจจะมีเรื่องอื่นด้วยที่มันมากกว่าเรื่องตรวจไงแต่ถึงแม้ว่าไม่ได้ถูกระบุในห่ดีสถาะนะแต่ก็เป็นที่รู้กั น, นว่าถ้าคนที่เป็นไส้เสือเกางเนี้ยแค่จดชื่อนี่มันก็ต้องมีเรื่องอื่นแน่นอน